สิขาบทวิพัง790ที่ชื่อว่าผ้าห่มบางได้แก่ผ้าห่มชนิดหนึ่งที่ใช้ในฤดูร้อนคำว่าเมื่อจะขอคือเมื่อจะออกปากขอคำว่าเพึ่งขอได้เพียงราคาสองกังสากึ่งเป็นอย่างมากคือเพึ่งขอผ้ามีราคา10บกะหาปณะได้คำว่าถ้าขอเกินกว่านั้นความว่าภิกษุณีออกปากขอผ้าราคาเกินกว่านั้นต้องอบัตทุกกฎในขณะที่ขอ ผ้านั้นเป็นนิสกีเพราะได้มาคือเป็นของจำต้องสละแก่สงแก่คณะหรือแก่ภิกษุณีรูปเดียวภิกษุทั้งหลายภิกษุณีพึงสละผ้าห่มบางที่เป็นนิสกีอย่างนี้